ตอนที่13เตรียมใจในยามป่วยหนะักในยามเจ็บป่วยผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกข์ที่กายเท่านั้นหากใจก็พลอยทุกข์ด้วยเช่นมีความวิตกกังวลเครียดหงุดหงิดหดหูหวาดกลัวใจที่เป็นทุกข์ย่อมทำให้ร่างกายเสื่อมสุดลงหายยากหรือฟื้นตัวได้ช้าลงตรงกันข้าม ใจที่สงบหรือเบิกบานจะช่วยให้ร่างกายหายเร็วขึ้นและเจ็บปวดน้อยลงอย่างไรก็ตามโรคภัยไข้เจ็บในบางการณีก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้และทำให้ร่างกายเสื่อมสุดลงจนไม่สามารถฟื้นเป็นปกติได้เช่นเป็นอมัมพฤกษ์หรือพิการแม้กระนั้นใจก็ยังมีความสำคัญถ้าหากรักษาใจไว้ให้ดีเช่นมีความสงบ จดจ่อในสิ่งที่ดีงามความทุกข์ก็จะลดลงไม่ทุรนทุรายหรือกระสับกระส่ายแม้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือป่วยหนักจนมาถึงระยะสุดท้ายของชีวิตหมอพยาบาลและเทคโนโลยีทั้งหลายอาจช่วยอะไรไม่ได้มากนักแต่จิตใจของเราเองก็ยังสามารถเป็นที่พึ่งได้ ช่วยให้เป็นทุกข์น้อยลงและมีความสงบได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยเหตุนี้ในยามเจ็บป่วยการดูแลรักษาจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการดูแลรักษาร่างกายบางครั้งอาจสำคัญกว่าด้วยซ้ำโดยเฉพาะเมื่อร่างกายไม่สามารถเยียวยาได้อีกต่อไปเมื่อมาถึงจุดหนึ่งของชีวิต ร่างกายมีแต่จะซุดลงและทุกข์หนักขึ้นจนคุมไว้ไม่อยู่แต่จิตใจของเราไม่ใช่เช่นนั้นสามารถเป็นสุขและสงบได้จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อป่วยหนักหรือเมื่อรู้ตัวว่าวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้จะมาถึงจึงไม่ควรปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์แต่ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่เพื่อรักษาจิต และตระเตรียมใจให้พร้อมสำหรับช่วงสำคัญที่สุดของชีวิตความตายนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมาเมื่อไรและเลือกไม่ได้ว่าจะตายอย่างไรแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจ ะ, ะเผชิญกับความตายอย่างไรด้วยความสงบหรือตื่นตระหนกด้วยความปล่อยวางหรือยื้ยุตสุดกำลัง หากเราต้องการเผชิญกับความตายด้วยความสงบและด้วยความรู้สึกปล่อยวางเราต้องเตรียมใจเสียแต่วันนี้ด้วยวิธีต่อไปนี้ 1. ยอมรับความจริงความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตก็คือเราทุกคนต้องตายไม่มีใครที่จะหลีกหนีความตายได้เมื่อคนเราต้องตายไม่ช้าก็เร็วจึงควรเตรียมใจพร้อมรับความตายอยู่ทุกเวลา และจะมีเวลาใดเล่าที่การทำใจพร้อมรับความตายจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเท่ากับตอนที่กำลังป่วยหนักเมื่อเราพร้อมรับความตายความตายก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปตรงกันข้ามการไม่ยอมรับความตายทั้งทั้งที่วาระสุดท้ายใกล้เข้ามาทุกขณะมีแต่จะซ้ําเติมตัวเองให้เป็นทุกข์มากขึ้นยิ่งไม่ยอมรับความตายก็ยิ่งกลัวความตาย และยิ่งกลัวความตายมากเท่าไรใจก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นพึงระลึกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความกลัวแม้แต่ความตายก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายอย่างน้อยทุกคืนก่อนนอนควรทำใจให้สงบและนึกถึงความตายของตนว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาถึงคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของตนก็ได้ หรือไม่ก็พิจารณาดังนี้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงอีกไม่นานร่างกายนี้จากปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งทับถมแผ่นดินเหมือนท่อนไม้อันหาประโยชน์ไม่ได้ 2. จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงาม ในภาวะที่ร่างกายของเรากำลังเจ็บปวดแปรปรวนอยู่นั้นความทุกข์ทรมานสามารถบรรเทาลงได้หากมีการเหนี่ยวนำจิตใจให้เป็นสมาธิหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งดีงามมีหลายวิธีที่ช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงามกระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถืออาจได้แก่พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์พระโพธิสัตว์หรือครูบาอาจารย์ผู้เป็นปูชนียบุคคลการระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจะช่วยให้จิตใจสงบขึ้นหากมีพระพุทธ ร, รูปหรือรูปของพระโพธิสัตว์และครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือมาตั้งอยู่ในห้องจะช่วยให้จิตใจมีสมาธิจดจ่อได้ดีขึ้นขอสวนมนต์ การสวดมนต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยเฉพาะบทที่ชวนให้รำลึกถึงองคุณหรืออนุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวช่วยให้ศรัทธาในใจเพิ่มพูนยิ่งมีศรัทธามากเท่าไหร่จิตก็ยิ่งเป็นสมาธิและสงบนิ่งได้เร็วมากเท่านั้นอีกทั้งยังช่วยให้เกิดกำลังใจในการเอาชนะความกลัวต่างๆที่รุมเรา้าคอฟังธรรม การฟังธรรมไม่ว่าจากเทปรายการวิทยุโทรทัศน์หรือจากผู้ที่เราเคารพนับถือโดยตรงซึ่งเป็นพระภิกษุหรือคารวาสก็ได้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยน้อมจิตให้เป็นกุศลได้ทั้งความสงบกำลังใจและเกิดปัญญาพึงระลึกว่าในยามเจ็บป่วยไม่ใช่แต่ร่างกายของเราเท่านั้นที่ต้องการยา ใจก็ต้องการยาที่เรียกว่าธรรมโอสดด้วยธรรมะหรือความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเป็นเสมือนโอสถที่ไม่เพียงแต่เยียวยาจิตใจไม่ให้ทุกข์เท่านั้นหากยังเสริมสร้างจิตใจให้มีความเข้มแข็งสามารถเผชิญกับอุปสรรคต่างๆได้โดยเฉพาะความผันผวนตรวนแปรต่างๆในเวลาใกล้ตาย สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการอ่านหรือฟังธรรมะการได้สนทนากับกาลยานามิตรผู้มีประสบการณ์หรือความเข้าใจในชีวิตเป็นบันไดไปสู่การมีใจใฝ่สดับธรรมะงอรมสมาธิอย่างไรก็ตามเราไม่ควรลืมว่าวิธีการสร้างความสงบในจิตใจที่ดีที่สุดคือการทำสมาธิภาวนา มีสมาธิภาวนาหลายแบบที่เราสามารถทำได้แม้ในขณะที่นอนอยู่บนเตียงเช่นการกำหนดหรือจดจอกับลมหายใจเข้าออกการจดจอกับท้องที่พองและยุบทุกครั้งที่หายใจเข้าและออกการกำหนดจิตอยู่กับอิริยาบถหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการคลึงนิ้วขยับมือไปมา มีสมาธิภาวนาอย่างหนึ่งที่ช่วยในการผ่อนคลายทั้งกายและใจได้แก่การกําหนดใจไปตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่ปลายศรีรษะจนถึงปลายเท้าโดยนอนและวางแขนไว้ข้างตัวเมื่อกําหนดใจที่ศรีรษะก็ให้บริกรรมหรือนึกในใจไปด้วยว่าผ่อนคลายแล้วค่อยๆเคลื่อนลงไปที่หน้าผากคิ้วคาง ใบหน้าท้ทอยไหลแขนสอกนิ้วหน้าอกหน้าท้องหลังสโพกต้นขาเข่าน่องไปจนถึงฝ่าเท้าและนิ้วเท้าขณะที่บริกรรมนั้นก็ให้กล้ามเนื้อในแต่ละจุดผ่อนคลายไปด้วยอย่างเต็มที่ ซึ่งการเกรงหรือหดงอส่วนไหนที่เจ็บปวดชัดเจนก็ให้เวลานานหน่อยโดยอาจแผ่เมตตาหรือพูดกับอวัยวะส่วนนั้นว่าขอให้หายเจ็บกลับมาเป็นปกติไวๆอาจเสริมด้วยจินตนาการในทางบวกเช่นหากเป็นโรคหัวใจก็นึกภาพหัวใจว่ากำลังมีความเข้มแข็งกระชุ่มกระชวยหรือนึกภาพว่ามีเลือดและภูมิคุ้มกันต่าง หลั่งไหลเข้าไปคุ้มครองป้องกันอย่างเต็มที่จะนึกภาพให้เป็นเหมือนเทพนิยายเช่นมีเทวดานางฟ้าหรืออัศวินม้าขาวกำลังขับไล่โรคร้ายออกไปจากหัวใจก็ได้วิธีนี้สำหรับผู้ยังไม่คุ้นเคยอาจต้องมีคนช่วยกล่าวนำเพื่อให้จิตกำหนดตามแต่หากทำคุ้นเคยแล้วก็สามารถทำเองได้ หากจิตสงบและกายผ่อนคลายความเจ็บปวดจะทุเลาไปได้มากมีผู้ป่วยหลายคนที่หายใจเหนื่อยหอบกระสับกระส่ายเมื่อพยาบาลได้นำสมาธิด้วยวิธีนี้ปรากฏว่าหายใจช้าลงจิตใจสงบขึ้นจอระลึกถึงความดีที่ได้ทำ คุณวามความดีที่เราได้บำเพ็ญก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรระลึกถึงด้วยความภาคภูมิใจในชีวิตของเราย่อมมีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวแต่ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความดีที่ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ว่าความดีที่ทำกับลูกกับหลานกับพ่อแม่กับคนรักกับเพื่อนร่วมงานตลอดจนความดีที่ทำให้แก่ศาสนาและประเทศชาติ ความดีอาทิความเสียสละความซื่อสัตย์สุจริตความเอื้อเฟื้อมีเมตตาเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจความดีเหล่านี้คือบุญที่ไม่เพียงมีอนิสง์ในพบหน้าเท่านั้นหากยังช่วยเราได้เมื่อวาระสุดท้ายใกล้มาถึงนั่นคือทำให้ใจเป็นกุศลไม่หวั่นต่อพบใหม่ที่จะมาถึง อย่างไรก็ตามพึงระลึกว่าความดีนั้นเราสามารถทำได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่นอนป่วยก็ยังสามารถทำความดีได้ทั้งทางกายวาจาและใจนอกจากการทำใจให้เป็นกุศลการรักษาวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนใครแล้วเรายังสามารถทำความดีทางกายได้อาทิการทาบุญแก่พระศาสนา สละทรัพย์เพื่อส่วนรวมหรือมอบเงินให้แก่คนที่ทุกข์ยากอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำความดีเพิ่มเติมความดีที่เราทำจะไม่ไปไหนแต่จะกลับมาจัดสรรใจเราให้เป็นสุขและสงบในที่สุด 3. ปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้จิตใจไม่เป็นสุข และทำให้อาการเจ็บป่วยทางกายกำเริบขึ้นก็คือความรู้สึกห่วงกังวลและความรู้สึกที่ยังค้างขาใจความรู้สึกดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแล้วยังทำให้เรายอมรับความตายได้ยากไม่มีใครยินดีที่จะจากบ้านไปตราบใดที่ยังห่วงกังวลผู้คนในบ้านฉันใด การจะจากโลกนี้ไปในขณะที่ยังมีสิ่งติดค้างใจอยู่ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีฉันนั้นแต่ในเมื่อเวลาจากพระใกล้จะมาถึงแล้วไม่มีอะไรดีกว่าการละวางความห่วงใยและสะสางเรื่องค้างคาใจให้หมดสิน้นสิ่งที่เราควรปลดเปลื้องไม่ให้ค้างคาใจได้แก่กอภารกิจที่ยังไม่แล้วเสร็จ ภารกิจดังกล่าวอาจได้แก่งานการที่รับผิดชอบอยู่หนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระรวมถึงทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้แบ่งสรรประการหลังนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวในขณะที่ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ควรจัดการให้แล้วเสร็จข้อนี้อาจรวมถึงการกาหนดพิธีศพหรือวิธีการจัดการกับศพของตน เนื่องจากบางคนไม่ต้องการให้ลูกหลานจัดงานศพอย่างสิ้นเปลืองขณะที่บางคนต้องการอุทิศร่างของตนให้แก่โรงเรียนแพทย์ขอความรู้สึกผิดความขุนเคืองโกรธแค้นความน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นมานานแล้วแต่อาจฝังลึกและนอนเนื่องในยามใกล้ตาย อาจผุดขึ้นมารบกวนจิตใจและเป็นอุปสรรคต่อการไปสู่สุขติดังนั้นจึงควรปลดเปลื้องออกไปให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อรู้สึกผิดกับผู้ใดควรหาโอกาสขอโทษหากคุณเคืองโกรธแค้นใครควรให้อภัยหรือให้อโหสิจะได้ไม่ต้องมีเวรกรรมสืบต่อไปในปรภพหากน้อยเนื้อต่ำใจผู้ใด ควรหาทางปรับความเข้าใจกับผู้นั้นหรือเผยความในใจกับเขาพร้อมกับให้อภัยไปด้วยสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้สึกดังกล่าวต่อใครคนหนึ่งเป็นการเฉพาะเพื่อให้แน่ใจก็ควรกล่าวคำขอขมาหรือขออโหสิจากเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เราอาจล่วงเกินหรือเบียดเบียนไปโดยไม่รู้ตัวหรือละลึกไม่ได้ขอให้อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันอีกเลย ให้อยู่เป็นสุขด้วยกันทั้งสิ้น 4. ปล่อยวางทุกสิ่งความรู้สึกค้างคาใจนั้นอาจไม่ได้มีกับทุกคนเมื่อใกล้ตายแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความห่วงกังวลคอยรบกวนจิตใจได้แก่ความห่วงกังวลลูกหลานพ่อแม่คนรักไปจนถึงความห่วงกังวลในทรัพย์สินและชื่อเสียงเกียรติยศเป็นต้น ความห่วงกังวลดังกล่าวย่อมทำให้อยู่และตายอย่างเป็นทุกข์ผู้ที่ไม่ต้องการตายอย่างเป็นทุกข์จึงควรละความห่วงใยในสิ่งทั้งปวงให้ได้สำหรับผู้ที่ระลึกนึกถึงอนิจจังหรือความไม่เที่ยงอยู่เสมอการละวางย่อมทำได้ง่ายแต่ถึงแม้ไม่เคยนึกถึงเลยนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะต้องเข้าใจและยอมรับความจริงของชีวิตว่า ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่จีรังความพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่ว่าจะรักและผูกพันแค่ไหนในที่สุดก็ต้องมีวันพลัดพรากจากกันผู้ที่ห่วงกังวลลูกหลานควรพิจารณาว่าเราได้เลี้ยงดูเอาใจใส่เข้ามาตลอดชีวิตแล้วควรวางใจได้ว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว ขอให้มีความเชื่อมั่นว่าความรักความเอาใจใส่และการศึกษาที่เราได้มอบให้แก่เขาจะช่วยให้เขาอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขและมั่นคงปลอดภัยผู้ที่ห่วงกังวลพ่อแม่ควรพิจารณาว่าเราได้บำเพ็ญตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ทำความดีตามที่พ่อแม่สั่งสอนและเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อมีโอกาส ขอให้ภูมิใจในความดีที่เราได้ทำกับพ่อแม่ขอให้มีความมั่นใจว่าท่านจะยังอยู่ต่อไปได้โดยไม่มีเราเพียงแค่เราจากไปอย่างสงบก็ช่วยให้ท่านเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วกับคนรักและมิตรสหายก็ควรพิจารณาปล่อยวางในลักษณะเดียวกันให้ระลึกว่าเราได้มีบุญวาสนาอยู่กับเขานานพอสมควรแล้ว ทำหน้าที่ที่สมควรทำเราก็ได้ทำมามากพอแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากไปที่จริงเราก็เคยลาเขาเหล่านี้มาก่อนแล้วครั้งนี้เพียงแต่ลาจากไปนานกว่าครั้งก่อนๆเท่านั้นหากชาติหน้ามีจริงก็คงได้พบกันใหม่กับทรัพย์สมบัติและชื่อเสียงเกียรติยศก็ควรพิจารณาว่า สิ่งเหล่านี้มันเป็นของเราจริงหรือเราเอามันไปด้วยได้หรือไม่แท้จริงมันมาอยู่กับเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นก่อนมาอยู่กับเรามันก็เคยเป็นของคนอื่นมาแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะมอบให้คนอื่นดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไปละความห่วงกังวลแม้กระทั่งในร่างกายขอให้พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา เราได้มาเปล่าๆจากธรรมชาติผ่านมาท้งพ่อแม่บัดนี้ถึงเวลาที่จะคืนให้แก่ธรรมชาติไปร่างกายนี้รับใช้เรามานานโดยไม่รู้จักหยุดหย่อนถึงเวลาที่เขาจะได้พักผ่อนเสียทีปล่อยให้เขาได้กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟในธรรมชาติ การปลดเปลื้องความกังวลและสิ่งค้างคาใจมีความสำคัญอย่างมากในภาวะใกล้ตายเพราะหากไม่ปลดเปลื้องให้หมดสิ้นมันจะผุดขึ้นมารบกวนจิตใจและยากที่จะจัดการกับมันได้เนื่องจากผู้ใกล้ตายนั้นสติจะอ่อนมากความรู้สึกตัวจะเลือนรางไม่มีแรงต้านทานความรู้สึกนึกคิดใดๆที่เกิดขึ้นจึงอ่อนไหวและกระเพื่อมได้ง่าย เมื่อจิตใจไม่เป็นสุขถูกรบกวนด้วยความรู้สึกที่เป็นอกุศลหากสิ้นลมในตอนนั้นก็จะไปสู่ทุกขติหรืออบายภูมิ 6. สร้างบรรยากาศที่สงบในทางพุทธศาสนาถือว่าสภาพของจิตก่อนตายนั้นเป็นตัวกำหนดว่าผู้ตายจะไปสู่สุขติหรือทุกขติ อาการหรือพฤติกรรมของจิตก่อนตายนั้นจัดว่าเป็นอาสัญกรรมหรือกรรมใกล้ตายโดยทั่วไปแล้วอาสัญกรรมย่อมให้ผลก่อนกรรมใดๆท่านเปรียบเหมือนโคที่ยัดเยียดอยู่ในคอกหากประตูคอกเปิดออกตัวที่อยู่ใกล้ประตูย่อมออกมาก่อนนั่นหมายความว่าหากต้องการไปสู่สุขติ กรรมสุดท้ายก่อนตายนั้นจะต้องเป็นกุศ ล, ลกรรมกล่าวอีกนายหนึ่งก่อนสิ้นลมเราควรระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลหรือมีจิตที่เป็นกุศลด้วยเหตุนี้บรรยากาศรอบตัวผู้ใกล้ตายจึงเป็นสิ่งสำคัญจิตที่เป็นกุศลจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบรรยากาศที่มีความสงบเงียบไม่อึกระทึกครึกครม โดยที่ลูกหลานญาติมิตรนอกจากจะไม่ร้องไห้ฟูมฟายหรือทะเลาะเบาแววงกันแล้วยังช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและเหนี่ยวนำใจเขาให้จดจ่อกับสิ่งดีงามโดยเฉพาะในยามใกล้สิ้นลมมีผู้มาเตือนสติให้ปล่อยวางความห่วงกังวลทั้งปวงดังนั้นสมัยก่อนจึงมักนิมนต์พระมาบอกอาราหังให้แก่ผู้ใกล้าตาย เพื่อให้ใจน้อมสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงบรรยากาศดังกล่าวหากผู้ใกล้ตายต้องการให้เกิดขึ้นควรเตรียมการเสียแต่เนืนเน่นๆเช่นขอร้องให้ผู้มาเยี่ยมอดกลั้นต่อความเศร้าโศกไม่ทําลายบรรยากาศที่สงบมาร่วมกันทําสมาธิหรือสวดมนต์ข้างเตียงตามโอกาสเราไม่อาจเลือกเวลาสถานที่และลักษณะการตายได้ แต่อย่างน้อยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเผชิญกับความตายด้วยจิตใจอย่างไรด้วยอาการนิ่งสงบหรือตื่นตระหนกด้วยการปล่อยวางหรือดิ้นรนขัดขืนนี่คือสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสามารถเลือกได้ไม่ว่าชะตากรรมในวาระสุดท้ายจะเป็นเช่นไรไม่ว่าจะประสบกับสถานการณ์เช่นใดมันก็ไม่สามารถยัดเยียดความทุกข์ให้แก่เราได้ เราทุกคนสามารถนำพาจิตใจให้เป็นอิสระจากความทุกข์ได้แม้กายจะทุกข์ก็ตามนี่คืออิสรภาพที่เราทุกคนสามารถเข้าถึงได้แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต